คาถาที่23เนี่ยนะขออภัยคาถาที่24ได้ยินว่าในการก่อนมีพระปจเจกโพธิสัตว์8องค์บวชแล้วในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านเหล่านั้นบำเพ็ญคตถปัจจาคตถวัดแล้วเกิดในเทวโลกอันนี้อยู่ในสัมปชัญญะบัพพาเนะี่ยคาถปัจจาคตาวัรเนี่ยนะก็คือวัดในการนำกรรมฐานไปวัดในการนำกรรมฐานกลับบริหารกรรมฐานอย่างต่อเนื่องนั่นเอง เมื่อท่านทําบุญแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกเช่นกับพระพระประเจกขพุทธเจ้าก่อนก่อนนู่นพระราชาก็ให้พระประเจกขพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนั่งก็หมายคือว่าพระประเจกแปดรูปใช่ไหมอีกหลายรูปก็ไปบรรลุหมดแล้วอีกรูปหนึ่งก็โมแต่เป็นพระราชาผู้ที่เป็นพระราชาโดยมากพวกเป็นหัวหน้ า, านะโมแต่เป็นพระราชาเพลิดเพลินพระราตอนนั้นพระประเจกขพุทธเจ้าก็เลยจะมาโปรดมาโปรดหัวหน้ า, านะ อดีตเป็นหัวหน้าตอนนี้ไอ้พวกนำหน้าเนี่บรรลุหลังทั้งหมดเลยนะดีดีมั้งเนี่ยพระราชาก็ให้พระประเจกกับพุทธเจ้านั่งแล้วก็ตรัสว่าพวกขั้นชื่อว่าอะไรพระประเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทูลว่าดูก่อนมหาบาพิษพวกอาตมาชื่อว่าปหูสูตรแปล ว, ว่าผู้ฟังมากพระราชาก็มีพระราชชนธายินดีว่าเราชื่อว่าสุตพรมทัต เราไม่อิ่มด้วยความอิ่มด้วยสุตะเอาเถอเราจะฟังพระสัตรธธรรมเทศนาอันมีนัยยะวิจิตในสํานักของพระประเจกับพระเทเจ้าเหล่านั้นว่าชอบฟังอยู่แล้วแหมพอชื่อว่าปฐุมสูตรเนี่เ ย, ยี่ยมเลยดีดีดีก็เลยถวายน้ําทักซีโนโทกอังฆ่าแล้วในที่สุดแห่งพัตตกิจ ร, รับบาตของพระสังฆเถระไหว้แล้วก็ประทับนั่งข้างหน้าพระพงก็ตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านแสดงธรรมมคถาเถิดพระประเจก็ทูลว่า ขอมหาราชจงมีความสุขสิ้นราคะเธอแล้วก็ลุกไปเนี่ยพระหูสูตรเขาพูดแค่นี้พอละเอาขอให้มันขอให้มีความสุขนะให้หมดราคะได้พอละแล้วก็ลุกไปพระพเจกพระพุทธเจ้กกบาบอกพระองค์นี้ไม่ใช่พระหูสูตรพูดอะไรพูดสองคำมั้งกันขอให้มีความสุ ข, ขให้หมดราคะเนี่ยเหรอพระหูสูตรไม่เข้าใจเลยพระองค์ก็คิดว่าจะทำมเทศฟังเดี๋ยวฟังองค์ที่สองก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นิมนต์มาฉันใหม่ พัฒน์นพระปเจกับพรุทธเจ้าก็พูดอย่างนี้จนถึงลําดับองค์ที่หนึ่งบอกว่าขอให้มีความสุขสิ้นราคะองค์ที่สองก็บอกว่าวันที่สองบอกขอให้มีความสุขขอให้สิ้นโทสะองค์ที่สก็บอกขอให้มีความสุขขอให้สิ้นโมหะองค์ที่สี่ก็บอกขอให้มีความสุขขอให้สิ้นคติองค์ที่ห้าบอกขอให้สิ้นขอให้มีความสุขขอให้สิ้นวัตตะองค์ที่6ก็บอกว่าขอให้สิ้นขอให้มีความสุขขอให้สิ้นอุปธิ อีกองสุดท้ายองค์ที่7ก็บอกว่าขอให้มีความสุขให้สิ้นตัณหาแล้วก็ลูกกันกลับไปหมดเท่ม <Hey, S 1> ยังไงเนี่ยพระราชาก็เลยคิดว่าพระประเจกาพระพุทธเจ้าเหล่านี้กล่าวว่าอาตมาเป็นพระหูสูตรแต่พระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่มีคถาวิจิตเลยไม่เห็นอธิบายอะไรเลยบอกหุ่นหวแล้วก็ไปแล้วก็บอกว่าพระหูสูตรทาที่พระประเจกพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยกล่าวแล้วมีประโยชน์อะไร มันดียังไงนะมาพูดว่าเนี่ยนะขอให้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นกติสิ้นวัตะสิ้นอุปธิสิ้นตัณหาดียังไงนาะก็เลยตึกเอาคําเราเนี้ยมาเพ่งพิจารณาอยู่ว่าจงสิ้นราคะพระองค์ก็ทราบว่าถ้าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นกิเลสทั้งหลายอย่างอื่นก็เป็นอันทุกอย่างอื่นก็เป็นอันสิ้นหมดแล้วงหมน ก็เลยพอพระไถว่าสมณะเหล่านี้เป็นพหูสูตรตรงๆจริงๆพหูสูตรขนาดแท้ก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่านักเรียนมากเรียนแท้จริงมันต้องเรียนแบบนี้สิจริงจะถูกว่างั้นเรียนจนสิ้นราคาเรียนจนสิ้นโทสะสิ้นโมหะเนี่ยเรียนแท้พหูสูตรแท้เลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้ชี้แสดงแผ่นดินหรือแสดงอากาศด้วยนิ้วมือก็ไม่ใช่ว่าเป็นอันชี้แจงแต่ประเทศศักด์ที่นิ้วมือชี้ลงไป แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นอันชี้แสดงแผ่นดินและอากาศเหมือนกันฉันใดพระสมณะเหล่านี้เมื่อแสดงอัดองค์ละข้อก็เป็นอันชี้แสดงอัดอันหาประมาณไม่ได้ฉันนั้นเท้าเธอปรารถนาความเป็นประหูสูตรก็เลยคิดว่าชื่อเมื่อไรเนอเราจะได้เป็นประหูสูตร อยากเป็นพหูสูตรแบบนี้อ่ะจะได้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นคติสินสนส้นวัตตสิ้นอุปธิสิ้นตัณหาสิ้นวัฏทุกเนี่ยแมยวันไหนนะเราจะเป็นพหูสูตรแบบนี้สักทีหนึ่งก็จะรู้ว่าพหูสูตรในที่นี้เน้นที่การปฏิบัติเนี่ยนะเน้นที่การเจริญไม่ได้เน้นที่น้ําท่วมทุ่งมาเน้นตรงนั้นพันท่านก็สละราชาสมบัติบวชแล้วก็เจริญพิปัสนาบรรลุเป็นพระประเจกับพพุทธเจ้า ก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าพระหุสุดตังธรรมธรังพระเฉธะมิตรตังอุลารังปฏิภาณวันตังอัญญายะอัฏฐานิวินัยักกังขังเอโกเจเรค้าาวิสานกกปโปบุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมมีปฏิภาณรู้จักประโยชน์ทั้งหลายกำจัดความสงสัยได้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหนแรกฉนั้นเนี่ยนะ พันแสดงว่าพระหูสูตรตรงนี้บอกว่ามีอยู่สองประเภทด้วยกันพระหูสูตรมีอยู่สองพวกรคือพระหูสูตรทางปริยัติโดยเชี่ยวชาญเนื้อความในพระไตรปิฎกผู้ที่แตกฉันในพระไตรปิฎกก็เรียกว่าเป็นพหูสูตรทางปริยัติส่วนพระหูสูตรอย่างที่สองเรียกว่าพระหูสูตรทางปฏิเวทเพราะอะไรพรหูสูตรที่บรรลุมรรคผลวิชาอภิญญาที่ตนบรรลุแทงตลอดแล้วเนี่ยนะแทงตลอดอริยมรดุด้วยการเจริญแทงตลอดอริยผลด้วยการทําให้แจ้ง นั่นก็เป็นพระหูสูตรทางปริยัตและทางปฏิเวทเรียนมากกับบรรลุอ่ะนะผู้มีอาคมมาแล้วก็คือผู้ทรงธรรมประกอบด้วยกายกรรมอ่ะนะทรงธรรมก็คือมีกายกรรมอันเป็นธรรมอ่ะ น, นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันยิ่งเชื่อว่าผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมเพราะว่ามีมียุตตาปฏิพานต่อไปนะครับผู้มีอาคมก็คือผู้มี ปริยัติที่ได้มาแล้วหรือมีอธิคมการบรรลุเรียกว่าผู้ทรงธรรมส่วนผู้ที่ประกอบด้วยกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมอันยิ่งเรียกว่าผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมส่วนผู้มียุตตะปฏิพานมุตตาปฏิพานผู้ที่มียุตตะมุตตาปฏิพานชื่อว่าผู้มีปฏิพานปฏิพานสมอย่างด้วยอํานาจปริยัติปฏิพานด้วยอํานาจปริปุชชาและก็ด้วยอํานาจอธิคมกล่าวโดยโย่อสรุปว่า คำว่าปฏิพานโดยปริยัตก็คือปริยัตย่อมแจมแจ้งแกมมิรใดมิตรนั้นชื่อว่าปริยัตปฏิพานการสอบถามย่อมแจมแจ้งแก่มิตรใดผู้สอบถามผู้ที่เรียนปริยัตมากเนี่ยนะเรียกว่าพวกปริยัตปฏิพานส่วนผู้ที่ถามสอบถามอัถยานลักษณะฐานะฐานะอัตฐานะานะมิตรนั้นชื่อว่าปริปุจฉาปฏิพานส่วนธรรมะมีมักเป็นต้น ที่มิดใดบรรลุแล้วมิตรนั้นชื่อว่าปฏิเวทปฏิพานเรียกว่าปฏิพานเนี่ยนะเฉียบแหลมปฏิพานเฉียบแหลมเพราะปริยัติเพราะสอบถามเพราะบะเพราะการบรรลุบุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรเนี่ยนะก็ทั้งปริยัตปฏิเวทผู้ที่ทรงธรรมทรงธรรมก็คือทรงปริยัติธรรมเป็นต้นผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมก็คือยิ่งด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันยิ่งมีปฏิพานทั้งโดยปริยัต ป, ปริปุชฌาและปฏิเวทเห็นป่านนั้น นะครเรียกว่าให้ให้คบนะให้คบท่านแบบนั้นอ่ะแต่นั้นรู้จักประโยชน์ TVs, ทั้งหลายมีอเนกประการต่างด้วยประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าเราครบกับท่านเหล่านั้นเราจะรู้เลยว่าอะไรคือประโยชน์ตนอะไรคือประโยชน์คนอื่นอะไรเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายตนและคนอื่ น, ะ น, น, นอะไรเป็นประโยชน์ปัจจุบันอะไรเป็นประโยชน์ในชาติหน้าอะไรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมิตรเหล่านั้นจะบอกเรามิตรเหล่านั้นจะแนะนําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์เป็นต้นนั่นเอง จากนั้นก็กำจัดความสงสัยในประโยชน์เหล่านั้นในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสยัยนะก็คือสอบถามจนได้รับความรู้ความเข้าใจจนไม่สงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนั่นเองอนะแล้วก็นําออกซึ่งความสงสยัยทำกิจทั้งปวงบรรลุอริยสัจแล้วเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกเรียบร้อยเลยนะบรรลุแล้วพระปเจงนะบรรลุเรียบร้อยแล้ว ในจุลนิเทศอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าควรคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมมีคุณอันยิ่งมีปฏิพานรู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้วกําจัดความสงสัยเพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรดนั้นอธิบายว่าผู้เป็นพหูสูตรนั้นคือใครคือผู้ที่ได้สดับมาเป็นผู้ทรงธรรมที่ได้สดับมาแล้วสังสมธรรมที่ได้สดับมาแล้วธรรมะเราใดที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด พร้อมทั้งอาาัฏฐะพร้อมทั้งพยายชนะประกาศพรมาจันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเห็นปานนั้นเป็นธรรมะที่มิตรนั้นได้สดับมากทรงจําไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีนี่เรียกว่าคนที่เป็นปะหูสูตรจําแม่นจําเยี่ยมเหมือนกันจะเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าจําเอามาเป็นท่อนๆเป็นตอนๆนะหมายควา ม, ม, ม, มว่ า, วารวบทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเข้าใจอย่างพะลุโปรุงเรียกว่าทรงจําคล่องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิ จำไว้ได้นี่ก็ดีบางคนเนี่ยฟังเยอะแต่จําไม่ได้บางคนเนี่ยฟังมากจําได้แต่ไม่คล่องปากตะกุกตะกัดอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ยฟังมากจำได้คล่องปากแต่ว่าให้ตรึกในใจเอามาคิดคิดไม่ได้บางคนเนี่ยนะสดับมากทรงจําคล่องปากขึ้นใจจาได้คิดในใจแต่ไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าผู้ที่เป็นพระหูสูตเนี่ยจะมีคุณสมบัติฟังก็มากจําก็เยอะชํานาญคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจหมายถึงว่านึกเมื่อไหร่ก็นึกได้ แล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิคือเข้าใจบทพยัญชนะที่ศึกษามาอย่างเป็นอย่างดีเรียกว่าผู้ที่เป็นพระหูสูตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นควรคบมิตรผู้เป็นพระหูสูตรเช่นนั้นบทว่าธรรมะทรังผู้ทรงธรรมก็คือทรงอะไรทรงสุตตะเคยะวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละแปลาภาษาไทยว่าทรงพระไตรปิฎก ควรครบมิตรผู้เป็นพหูสูตรผู้ทรงทมความว่าควรครบควรเสพเสพแปลว่าเข้าไปเสพร่วมเสพเสพในที่นี้ก็ไม่ได้แบบแบบอย่าไปคิด อ, อาคุสน่ะ น, นะหมายความว่ามีการเกี่ยวข้องกันด้วยการด้วยด้วยการพูดปะพบปะสนธนาฟังเป็นต้นเนี่ยนะครับว่าเกี่ยวข้องกันด้วยการเห็นการฟัง ก, ก็ฟังอะไรก็ฟังคาสอนเหล่านี้นี่แหละ ส่วนมิตรผู้ยิ่งก็คือมิตรผู้ยิ่งด้วยศีลเนี่ยนะคือท่านมีศีลอันยิ่งสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะก็ควรครบมิตรผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติยานัทสนะแต่เชื่อไหมถ้าจะกล่าวไปแล้วที่ฟังๆเนี่ยนะก็ฟังมาสองสาเรื่องเนี่ยนะอเซวนาจะพาลานางปันติตานั่นจะเสวนาก็มีอยู่เท่านี้แหละ ตามมงคลที่เราสวดว่าเออใครทำไมไม่กวนคบครบแล้วมันเสียหายเลวร้ายยังไงอ่คบบัณฑิตแล้วบัณฑิตจะพาไปไหนมันดียังไงนั่นแหละก็อธิบายสองมงคลนั่นแหละคำว่าผู้มีปฏิภาณเนี่ยนะในมหานิเทศอธิบายพิสดาขอไปจูแลนิเทศอธิบายเพิ่มเติมว่า บุคคลผู้มีปฏิพานนี่มีอยู่3ประเภทประเภทที่1คือผู้ปฏิพานโดยปริยัตประเภทที่สองปฏิพานโดยปริปุชาการสอบถามอย่างที่3ามก็เรียกว่าปฏิพานโดยการแทงตลอดอริยสัตว์หรือการบรรลุมรรคผลอธิบายว่าบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริยัตนั้นเป็นไงตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เล่าเรียนพระพุทธพจน์คือสุตตะเคยะเวยาการนะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอัภูตธรรมเวทัละ ตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างในโพธิปักษ์ยกตัวอย่างคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9้าธรรมะเนี่ยย่อขยายได้ไหมพระไตรปิกย่อขยายได้ไหมได้นับหนึ่งก็ได้เรียกว่ามีรถเดียวคือวิมุตติรถคําสอนพุทธเจ้านับสองก็ได้เรียกว่าธรรมกับวินยัยเรียกสก็ได้ปฐมพุทธพจน์เรียกว่าปฐมพุทธพจน์ปัชิมพุทธพจน์แล้วก็มัชิมะท่ามกลางพุทธพจน์หรือไม่ก็วินยัยพระวินยัยพระพระสูตรพระอภิธรรมเรียก ว, ว่าโดยสโดย โดย5โดย5ก็คือทีฆะทีมาสังอังคุทีคนิกายมาชิมนิกายสังยุตอังคุตและคุ ธ, ธากานิกายถ้านับ9ก็คือคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9มีสุตตะเคยะเป็นต้นแล้วถ้านับนับเยอะกว่านั้นก็ 84,000 ันโดยธรรมขนมันผู้ที่เรียนมากแล้วก็มีปฏิพานไบพริบอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิพานเพราะการเรียนเรียนภาพปริยัตเนี่ยนะ ส่วนผู้ที่มีปฏิพันธ์เพราะปริปุชาก็คือสอบเป็นคนที่ในโลกนี้ไต่ถามในอรหัตผลเป็นผู้สอบถามในอริยมัติมีองค์แปดเป็นผู้ที่สอบถามในลักษณะของความไม่เที่ยงลักษณะของความเป็นทุกข์ลักษณะของความเป็นอนัตตาลักษณะเหตุและมิใช่เหตุลักษณะฐานะอฐานะ คือฟังว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เป็นคนที่สอบถามมากพระพุทธพจน์ย่อมแจ่มแจ้งแก่บุคคลนั้นเพราะอาศัยการไต่ถามนี้ชื่อว่ามีปฏิพานเพราะปริปุจฉาร์เรียกว่าคล่องเลยเข้าใจเลยส่วนบุคคลที่สบุคคลผู้มีปฏิพานโดยการบรรลุเป็นไนะคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้บรรลุสติปทาสนสบรรลุสัมมปาปทานสี่บัรลุ อิทิบาสีบรรลุอินทรีห้าพละห้พ่อชงเจ็อริยมักมีองค์8ดอริยมักสี 4, สามัญญผลสปฏิสัมพิธาสีอภิญญาหอันนี้หมายความว่าเจริญแล้วบรรลุเลยนะปฏิบัติตามนะโดยการเรียนพหูสูตรเรียนไม่เยอะก็จริงโดยปริญญาตรเรียนมากเรียนน้อยไม่สําคัญแต่ที่สําคัญตรงนี้ก็คือในเรียนแล้วบรรลุนะเพราะฉะนั้นผู้นั้นรู้อัดรู้ทำรู้นิรุตรู้ รู้อัดอัดก็แจ่มแจ้งรู้ทำทำก็แจงแจ้งรู้นิรุตนิรุตก็แจ่มแจ้งเรียกว่ายานในปฏิสัมพิทาสามก็เรียกปฏิพ า, านานาัปฏิสัมพิทาเนี่ยนะอักขาปฏิสัมพิทาก็คือยานที่รู้ในผลธรรมะปฏิสัมพิทาก็คือยานที่รู้ในเหตุนิรุตติปฏิสัมพิทาก็คือรู้ในการเอามาแสดงเอามาพูดเอามากล่าวบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยส่วนปฏิพาณนะปฏิสัมพิทาก็คือรอบรู้ยานสามอย่างข้างต้นนั่นแล้วเนี่ยเรียกว่าปฏิพาน พันแค่เราว่าประสงค์จะรู um ้อัดอัดก็แจ่มแจ้งประสงค์จะรู้ธรทำก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุธนิรุตก็แจ่มแจ้งหรือกว่าใส่ใจไปตรงไหนรอบรู้ไปหมดเลยเรียกว่าผู้ที่มีปฏิพันธ์พระปเจกขพุทธเจ้านั้นเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบแล้วด้วยปฏิพันธ์ปฏิสัมพิธาเพราะเหตุนั้นพระปเจกขพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามีปฏิพันธ์ ผู้ใดไม่มีปริญญาไม่มีปริปุชามไม่มีอธิคมบททําอะไรจะแจมแจ้งแก่ บ, บุคค <entropy> ลนั้นเล่าตรงนี้แปลว่าอะไรเน็บมาหน่อยหนึ่งเรียนก็ไม่เรียนถามก็ไม่ถามบรรลุอะไรก็ไม่มีแล้วจะมารู้อะไรว้างมันมานั่งสองเทียนตรงไหนเหมือนกั น, นสองเทียนจะรู้ได้ยังไงคำว่างัง้นน ะ, นะเพราะฉะนั้นจะต้องคบมิตรผู้มีคุณอันยิ่งมีปฏิภาณให้คบมิตรผู้เป็นประหูสูตรมีคุณอันยิ่งมีปฏิภาณ เพราะว่ารู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้วพึงกําจัดความสงสัยเสียได้ต้องรู้จักประโยชน์ก็ประโยชน์มีอะไรบ้างเขบอกรู้ทั่วถึงรู้ยิ่งทราบเทียบเคียงพิจารณาให้แจ่มแจ้งทำให้ปรากฏซึ่งประโยชน์ตนตนนี้ควรมีประโยชน์อะไรบ้างผู้อื่นควรได้รับประโยชน์อะไรบ้างทั้งประโยชน์ตนและคนอื่นถ้าประโยชน์ตนของคนอื่นคือประโยชน์อะไรประโยชน์ปัจจุบันโปรดประโยชน์สำปรายภพแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อรู้ประโยชน์อย่างนี้ก็พึงกําจัดปราบละบันเทาทำให้สิ้นสุดให้มีให้ไม่มีซึ่งความสงสัยว่างั้นถ้ารู้ประโยชน์แล้วก็จะกําจัดความสงสัยออกไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้วพึงกําจัดความสงสัยเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรับสรุปว่าควรคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรผู้ทรงธรรมมีคุณอันยิ่งคือศีลสมาธิ ป, ปัญญาเนี่ยนะมีปฏิภาณรู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้ว เมื่อครบกับท่านเหล่านั้นตัวก็จะได้รู้จักประโยชน์เมื่อรู้จักประโยชน์ก็กำจัดความสงสัยเสียได้เที่ยวไปตามอมาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตรัสรู้แต่ผู้เดียวไปเหมือนกับหน่อแรด